พระมารดาของพระผู um, ้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชนมายุน้อยเหลือเกินเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สวรรคตเข้าถึงเทพนิกายชั้นดุสิตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนอานนท์ มารดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีอายุน้อยเหลือเกินเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจวันมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมทํากาละเข้าถึงเทพนิการชั้นดุสิตถึงขนาดนั้นเนี่ยนะถึงว่าลูกเกิดได้เจ็ดวันตัวเองต้องตายแต่ก็มีหญิงไม่ใช่น้อยตั้งความปรารถนาเพื่อให้ตัวเองได้ตําแหน่งพุทธมารดาเจวันก็ยังดีขอให้ตัวเองได้เป็นพุทธมารดา เขาก็มีกระคว้าคนที่ตั้งปรารถนาอย่างนี้จริงๆอย่างพนางสริมห า, มายามเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพุทธมารดามาแสนมหากรัปเนี่ยนะแสนกรัปนะจึงจะได้ตำแหน่งเนี่ยทั้งๆที่เจ็ดวันนะ อ, อยู่ในท้องอีกสิเดือนไงสิบเดือนกับเจดวันทําไมอะ่ะเพราะพระโพธิสัตว์ท่านตรวจ ด, ดูแล้วว่าก่อนท่านจะจุติจากสวรรค์นเนี่ยนะอายุของแม่เหลืออีกสิบเดือนกับเจ็ดวัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้เกิดแล้วแม้จะเกิดหมายคือว่าที่เกิดแล้วทีเ่เป็นอยู่เนี่ยนะและจะเกิดต่อไปข้างหน้าข้างหน้าสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจกละร่างกายไปแปล ว, ว่าเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นไอ้ที่เคยเกิดมาแล้วก็ตายไปแล้วไอ้ที่กําลังเป็นอยู่นี้เดี๋ยวก็จกตายถ้าเกิดใหม่ๆก็จะตายเท่านั้นเลย ท่านผู้ฉลาดทราบความเสื่อมแห่งสัตว์ทั้งปวงแล้วพ่งเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติรรอริยมรรคเนี่ยนะเพื่อให้พ้นจากความเกิดและความตายมันเล่ากันมาว่าภายหลังพัฒน์ะนะหลังอาหารวันหนึ่งพระเถระนั่งพักผ่อนกลางวันใส่ใจถึงพระรูปโฉมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันประดับด้วยพระลักษณะและพระอนุพยัญชนะ มีพระรูปเลอโฉมเป็นทัศนานุตรยะจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพียบพร้อมไปด้วยพระรูปประกายน่าชมนำมาซึ่งความเลื่อมสายรอบด้านน่ารื่นรมใจดังนี้แล้วก็สวยปีติปราโมทย์สมนัสยิ่งนะัก น, นะเพราะท่านมีศรัทธา ม, มากจึงคิดอย่างนี้ว่าธรรมดามารดาผู้บังเกิดกล้าวถึงจะมีบุตรรูปร่างไม่ดีก็ยังมีความพอใจ คล้ายว่าบุตรรูปร่างดีฉะนั้นนะถึงลูกไม่ดียังไงนะแม่ก็ยังปลื้มใจอยู่เสมอใช่ไหมเพราะเป็นลูกของตนก็ถ้าว่าพระนางมหามายาเทวีพระพุทธมารดายังพระชนคือยังมีพระชนอยู่สายพระนางก็จะพึงบังเกิดปีติโสมนัสเพราะได้เห็นพระโฉมของพระผู้มีพระภาคเจ้านะเช่นไรหนอแม้ว่านี่นะท่านพระนางยังมีพระชนอยู่นะจะดีใจขนาดไหนที่ได้ลูกขนาดนี้นะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประสูติได้เจ็ดวันพระเทวีพระมห า, ามารดาของเราสวรรคตเป็นความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงนะแหมนางนี่เสื่อมมากเนาะแทนที่จะไ ด, ด้อยู่ดูลูกนานๆตายไปแล้วอย่างนี้นะพอคิดอย่างนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลความปริวิตกของตนที่จริงพระนรินเนี่ยท่านก็ไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธมารดานะียเพราะท่านมีอายุเท่ากับพระพุทธเจ้าไหม ท่านเป็นสหาชาติอ่ะนะเกิดพร้อมกันอ่ะนะก็ไม่ได้เห็นหน้าอะไรหรอกแต่ก็นึกในว่าน่าจะได้เห็นอะไรนะเห็นน่าจะได้แม่น่าจะได้เห็นหน้าลูกตอนที่ประสบความสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรไปแล้วอ่ะนะส่วนข้อความย่อนหน้าข้างล่างที่บอกว่าอาจารย์บางพวกข้อนั้นท่านปฏิเสธก็เลยไม่อ่านนับขึ้นสองบรรทัดจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงอนุญาตการบรรญชา ในศาสนาแก่ของพระองค์แก่พระมารดาหรือแก่มาตุขามอื่นจึงทรงอนุญาตให้รัดกลุ่มทีเดียวไม่ใช่อนุญาตอย่างละหลวมเพราะทรงมีพระประสงค์จะให้พระศาสนาดำรงอยู่นานอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่เขายกมานะฝ่ายอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าพระเถระมณสิกาถึงพระพุทธคุณที่หาที่สุดม่ได้หาประมาณมิได้ พระคุณของพระองค์ไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นมีทศพลยานจตุเวสารชยานเป็นต้นพระนนก็เกิดความอัศจรรย์จิตขึ้นว่าพระพุทธมารดาบริหารพระศาสดาผู้เป็นอัครบุคคลในโลกผู้มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ในพระคันถึงสิบเดือนจกเป็นปริจาริกาของใครๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่สมควรเพราะฉะนั้นข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประสูติได้เจ็วันพระพุทธมารดาสวรรคต ชั้นสวรรคตแล้วทรงอุบัติในชั้นดุสิตนี้เป็นการสมควรแก่พระคุณของภาษาสดาอย่างแท้จริงเมื่อจะกราบทูลความคิดที่เกิดขึ้นแก่ตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้กล่าวคำว่าน่าอัศ จ, จรรย์ระษาสดาเมื่อจะแสดงข้อที่เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาของพระโพธิสัตว์ก็สวรรคต จัดเป็นการสําเร็จโดยธรรมดาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าเอวเมตังบอกอย่างนั้นแลยก็ธรรมดานี้นั้นเพืงทราบด้วยสา ม, มารถที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เคยประพฤติเป็นอาจินวัตรเสมอมาเพราะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์บําเพ็ญพระบารมีแล้วบังเกิดในชั้นดุสิต ท, ทรงดํารงอยู่ในดุสิตนั้นจนตลอดอายุเมื่อสิ้นอายุเทวดาในหมื่นจักรวรรประชุมกันอาราธนา เพื่อให้ทรงถือปฏิสนธิในมนุษส์โลกเพื่ออภิสัมโพธิยานพระองค์ก็ตรวจดูปริมาณอายุของพระพุทธมารดาตรวจดูว่ามารดานั้นะ่ะขณะที่จะจุติจากดุสิตมาเกิดในในคันเนี่ยแม่ต้องอายุเท่าไหร่สิเดือนกันเหลืออีกสิเดือนกับเจดวันเหมือนตรวจดูการว่าการนี้มนุษย์ถ้าต่ำกว่าร้อยปีไม่มาเกิดถ้าอายุเกินแสนปีก็ไม่เกิด ตรวจดูทวีปแต่นะจะเกิดเฉพาะในชมพูทวีปตรวจดูประเทศคือสถานที่ก็เห็นเมืองอะไรกรบี่ละพัฒนะตรวจดูตระกูลต้องไม่ตระกูลกษัตริย์ก็ตระกูลพราหมณ์จึงถือปฏิสนธิฉั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นี้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตคือพระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีเป็นพระเวสสันดรไหยจุติจากพระเวสสันดรเกิดในดุสิตจุติจากดุสิตก็มาเกิดในไหน ในพระคันของมารดาตรวจดูมหาวิโลกันะห้าประการกําหนดปริมาณอายุของพระพุทธมารดาสิบเดือนกับเจดวันก็ทราบว่านี้เป็นเวลาที่เราจะถือปฏิสนธิบัดนี้เราควรอุบัติดังนี้แล้วก็ถือปฏิสนธิเพราะฉะนั้นจึงกล่าวบอกว่ามารดาของพระโพธิสัตว์นี่มีอายุน้อยกาลังกรนติความว่ากระทํากาละโดยสิ้นไปแห่งอายุตามที่กล่าวแล้วนั่นแล ไม่ใช่เพราะมีการประสูตรเป็นปัจจัยพระพุทธมารดาที่ตายไม่ใช่เพราะคลอดลูกตายแต่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะพระโพธิสัตว์รู้ตั้งแต่ ก, ก่อนมาเกิดแล้วว่าแม่มีอายุอีกสิบเดือนกับเจดวันอันนี้เรียกว่าตายตามธรรมดาไม่ใช่ตายเพราะคลอดลูกจริงอยู่สถานที่ที่พระโพธิสัตว์อยู่ในอัตภาพสุดท้ายเป็นเช่นกับเรือนพระเจดีย์ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่คนเราอื่นจะใช้สอย และใครๆไม่อาจที่จะถอดพระมารดาของพระโพธิสัตว์ออกแล้วตั้งยิงอื่นเอาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีเพียงเท่านี้แลจัดจัดเป็นประมาณอายุของพระโพธิสัตว์ของพระมารดาของพระโพธิสัตว์ว่าได้ทำกาละเสียในเวลานั้นก็พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายหมายถึงเนื้อความนี้นั่นแลจึงกระทำมหาวิโลกนะหประการ ถามว่ามารดาของพระโพธิสัตว์ทํากาละในไวัยไหนพระนางมหามายาตายตอนไวัยไหนปฐมวัยมัชชิมะวัยหรือปัชชิมะวัยบอกว่าในปฐมวัยสัตว์ทั้งหลายมีฉันทราคะแรงกล้าในอัตภาพนะัคือรักร่างกายมากนะหญิงทั้งหลายผู้ตั้งครันในคราวนั้นโดยมากไม่สามารถจะตามรักษาครันไม่ได้หากพึงถือปฏิสนธิได้สายสัตว์ที่เกิดในครันก็จะลําบากมาก ก็ครั้นล่วงสองส่วนของมัชชิมะไวไปแล้วในส่วนที่สครคันก็บริสุทธิ์เด็กที่เกิดในครันที่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีโรคตรงนี้ไม่วิจารณ์นะเพราะว่าโดยหลักการสมัยก่อนกับสมัยนี้คิดไม่เหมือนกันนะสมัยใหม่ก็ถือว่าเกิดมีลูกตั้งแต่อายุน้อยๆดีใช่ไหมถ้ า, ายุมากๆแก่ไปแล้วมีลูกไม่ดีเพราะว่าอันนะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเช่นโรคปัญญาอ่อนเป็นต้น น, นะ แต่นี้พูดถึงตามในแนวความพีดนะก็ท่านก็มีอธิบายของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นมารดาของพระโพธิสัตว์จึงได้รับความสมบูรณ์ในปฐมวัยประสูตรในส่วนที่สามของมัชชิมวัยแล้วสวรรค์คดหลังจากนั้นพระองค์พิจารณาเนื้อความก็ทราบว่าอายุในอัตภาพของพระมารดาพระโพธิสัตว์และสัพพสัตว์เรล่าอื่นก็มีความตายเป็นที่สุดสรุปว่าแม่เราก็ตายไหมไม่ได้ไปเสียใจแล้วเออแม่ก็ตาย สัตว์อื่นที่เกิดมาก็ตายทั้งหมดนั่นแหละเหมือนกันก็เลยเป่งอุทานว่าเป่งอุทานอันแสดงถึงความอุตสาหะในการปฏิบัติที่หาโทษไม่ได้โดยมุกอันแสดงถึงเนื้อความนั้นอย่างแจ่มแจ้งนะบอกขนทางว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วก็ต้องตายเพราะั้นควรประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพ้นจากความเกิดและความตายภูตาสัตว์ที่เกิดมาแล้วพระวิสันติจกบังเกิดในอนาคต อนนะัสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือสัตว์ที่จะเกิดต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเราสัตว์ผู้นับเนื่องในปฏิสนธิด้วยอำนาจการมีอดีตเป็นต้นโดยไม่มีส่วนเหลือไม่สัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเกิดในคันซับพระเสวยอกะเกิดในคันตั้งแต่เวลาออกจากคันชื่อว่าภูตาอันนี้ก็คือภูตาวาสัมภเวสีวาเกิดแล้วหรือจักเกิดนะไม่ว่าจะเกิดในคันเกิดในไข่หรือเกิดในเท่าใคร สัตว์ทั้งปวงนั้นที่กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเกิดในภพสามกำเนิดสคติหวิญญาณที่ตสัตตาวาสเกสัตว์เหล่านั้นเป็นต้นทั้งหมดจักละคือจักต้องทอดทิ้งร่างกายทิ้งสรีระของตนไปสู่ปรโลกตายเคลื่อนย้ายนะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยใช่ไหมผู้มีปกติย้ายภพย้ายชาติส่วนพระอเศษขาบุคคลจักปรินิพานเพราะอะไรเพราะสละทิ้งได้หมดแล้ว ข้อนั้นแสดงไว้ว่าใครใครชื่อว่าไม่มีการจุติเป็นธรรมดาหามีไม่ผ้าหันอย่างตายพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณเช่นนั้นอย่างตายพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากเช่นนั้นอย่างตายพระมหาโมฆลลานะผู้มีฤทธิ์มากก็ต้องตายพระอนนท์ผู้มีสติปัญญาทรงจำคําสอนได้มากมายก็ตายพระมหากระสปะผู้เลิ่ทางทุดโคุณก็ตายพระเทวทัต ท, ที่เลวร้ายก็ตาย พระเาชาซาตสตรูผู้ข้าพ่อก็ตายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกทั้งหมดก็มีความตายเป็นที่สุดรอบอา้าทุกคนเมื่อเกิดมาตายควรจะสแสวงหาความสุขให้มันเต็มที่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ยอว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายไหนไหนจะต้องตายแล้วควรสแสวงหาความสุขให้มันเต็มที่ข้อมาว่าพูดถูกนะเนี่ยเอาความสุขมีกี่อย่างอะ่ะ ควรจ ะ, สะแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้ได้ในไหนก็เกิดมาแล้วก็ต้องตายใช่ไหมทำไมเราต้องไปติดอะไรกับความสุขเล็ก ๆ, ๆน้อยๆที่มันไม่ใช่สุขแท้เพราะฉะนั้นควรประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเข้าถึงสุขที่แท้จริงควรที่จะเจริญกุศลเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะแต่ไม่ใช่เห็นแก่สุขเล็กๆน้อยๆอะไรนะสละสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อมาเห็นแก่สุขเล็กน้อยนี้ถือว่าวิจารณญาณผิดพลาดมาก เพราะฉะนั้นสัตว์ผู้เกิดมาแล้วเนี่ยนะสัพสัตทั้งหมดเนี่ยนะที่มีความเสื่อมมีความพินาศมีความผุพังสรพสัตว์ทั้งหมดนั้นจะต้องมอรณาตายแน่พันควรเจริญมรณานุสติเพื่อระลึกถึงความตาย น, นะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ควรมนาศิการตไตรลักษอณอิ จ, จังเป็นต้นเมื่อบำเพ็ญวิปัสนาชื่อว่าบำเพ็ญเพียร เ, เพราะประกอบความเพียนเพียน เพียนเครื่องเผากิเลส ช, ชื่วปรารลบความเพียนด้วยอำนาจสมัมมาประธานสี่ปฏิบัติอยู่ในมรรคพรหมจรรย์อันเป็นอุบายก้าวล่วงมรณะโดยสิ้นเชิงเมื่อเราจะต้องตายเป็นสภาพจะต้องตายเป็นที่สุดเนี่ยนะที่เขาบอกว่าในเรื่องนางวิสาขานะ่พระ อ, องค์ตรัสว่านายมาลาการผู้ฉลาดเนี่ยนะพึงร้อยดอกไม้ร้อยเรียกร้อยพวงมาลัยจากกองดอกไม้ได้มากได้งามฉันใด มูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะต้องตายเป็นสภาพควรทำกุศลให้มากฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่ากุศลนี้เป็นปัจจัยแห่งความสุขทั้งพบนี้และภ พ, พหน้าผู้ที่บรรลุอ ม, มะตะนิพพานที่สุขสุดยอดท่านเหล่านั้นก็เจริญกุศลกุศลเหล่านั้นก็คือการประพฤติะนะอย่างน้อยทานการให้ทานก็เรียกว่าพรหมจรรย์นะคำว่าพรหมจรรย์นี้ให้ทานก็เรียกว่าพรหมจรรย์การรักษาศีลก็ชื่อว่าพรหมจรรย์การเจริญพรหมวิหารก็ชื่อว่าพรหมจรรย์ ตลอดจนถึงปฏิบัติในอริยมรรคก็ชื่อว่าพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นควรประพฤติพรหมจรรย์ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการอบรมเจริญสมถะและวิปัสสนานั่นเป็นหนทางที่จะทําให้ถึงความประสบสุขที่แท้จริงวันผู้ที่เกิดมาแล้วควรสแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้พบอย่าไปติดสุขเล็กสุขน้อยผู้ใดเห็นสุขอันไพบูร์เพราะสละสุขที่เล็กน้อย เขาเหล่านั้นควรสละสุขที่เล็กน้อยเพื่อจะได้ประสบกับความสุขที่ไพ่บูรนั้นก็ด้วยบุญกุศลที่เราเจริญเหล่านี้ก็ขอให้ได้ประสบประสบความสุขที่ไพ่บูรโดยทั่วหน้ากันนะอนุมโมทนาด้วยนะเจริญพรใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้